บทที่25สห้ามะขามกยสิทธิ์ท่านสมพานช่วยไปดูต้นมะขามหลังวัดหน่อยเถอะครับผมว่ามันยังไงยังไงอยู่นาในวังซึ่งมีบ้านอยู่เหนือวัดมารายงานในตอนสายวันหนึ่งมันยังไงยังไงนะ่ะมันยังไงล่ะโยมจะอาวัดวัดป่ามาม่วงพูดเหมือนยยนทั้งที่ไม่ได้เป็นยยนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไง รู้แต่ว่าเวลาที่อีเ ย, ยวอิกามันมากินลูกเป็ดลูกไก่ผมผมไล่ ย, ยิงมันมันก็พากันบินไปเกาะที่ต้นมะขามผมก็เอาปืนลูกซองยิงแต่มันยิงไม่ออกพอหันปอกกระบอกปืนไปทางทิศอื่นกลับยิงออกทุกทีผมว่าไอ้ต้นมะขามที่นั้นนะ่ะมันต้องมีอาถรรพ์นะครับท่านสมพานนายวางลงความเห็น จริงครับหลวงนะผมเก็บเม็ดมันมาเล่นรูปร่างประหลาดชอบกลไม่เหมือนกันเลยสักเม็ดเดียวเด็กชายสำริดซึ่งนั่งฟังอยู่ห่างๆเอ่ยขึ้นมันไม่เหมือนยังไงไหนลองเอามาให้หลวงพี่ดูซิท่านบอกเด็กชายนี่ไงครับฝักหนึ่งมีสิบสองเม็ดแต่และเม็ดไม่เหมือนกันเลยเด็กชายควักเม็ดมะขามออกจากกระเป๋ากางเกงส่งให้ท่าน พระเจริญรับมาดูอย่างพิเคราะห์ก็พบว่าแต่ละเม็ดเป็นรูปสัตว์มองเห็นชัดเจนท่านจัดเรียงบนพื้นกระดานทีละเม็ดเริ่มจากรูปหนูวัวเสือไปจนถึงรูปหมูรวมได้12เม็ดนับเป็นเรื่องประหลาดจึงพูดกับในวังว่าโยมเม็ดมะขามที่เป็นรูป12นักสัตว์เนี่ย ดูสินี่ปีชวดรูปหนูปีฉลูรูปบัวจนไปถึงปีกูนรูปหมูยอมลองพิจารณาสิว่าเหมือนกับที่อาตมาเห็นหรือเปล่าในวางก้มลงดูใกล้ๆครู่หนึ่งก็เงยหน้าขึ้นบอกสมพานว่าจริงครับสิบสองนักษัต์ชัดเจนมากไม่น่าเป็นไปได้บุรุษวัยห้าสิบเศษรู้สึกพิศวง เพราะอย่างนี้กระมังปืนถึงยิงไม่ออกเด็กชายสัมฤทธิ์สันนิษฐานอย่าเพิ่งสรุปเอาง่ายๆมันอาจจะไม่มีอะไรมากกว่านั้นประเดี๋ยวเราไปดูกันสัมฤทธิ์เอ็งช่วยไปบอกเนรให้เตรียมมีดไปถางหญ้า ร, บรอบๆต้นมะขามด้วยไปเดี๋ยวนี้เลยท่านสั่งเด็กชายสักครู่หนึ่งก็ชวนนายวางเดินไปยังต้นมะขามหลังวัด เมื่อไปถึงก็สั่งให้สามเณรห้ารูปซึ่งเดินตามมาติดๆเพื่อจะช่วยกันถางต้นหนามพุงคอออกให้เป็นทางเตียนเดินเข้าไปถึงโคนต้นได้บริเวณรอบๆต้นรกเรือมีทั้งต้นนาำพุงคอต้นเคี่ยวงูต้นคอยและต้นสาบเสือเนียนทั้งห้ารูปช่วยกันถางจนเหงื่อตก กว่าบริเวณนั้นจะโล่งเตียนพระเจริญเก็บมะขามที่หล่นอยู่ใต้ต้นขึ้นมาสามฝักส่งให้เด็กชายสัมฤทธิ์เอ็งลองแกะดูซิฝักหนึ่งมีกี่เม็ดแล้วดูด้วยว่าเหมือนกันทุกฝักไหมเด็กชายจัดการปอกเปลือกที่หุ้มเนื้อมะขามออกปรากฏว่าแต่และฝักมีอยู่12ข้อครั้นแกะเนื้อออกก็ปรากฏว่าเม็ดข้างในเป็นรูป12นักสัตว์ทั้งสามฝัก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 เป็นหินมีแท่นรองนั่งมีสลักครบถ้วนพอสันนิษฐานได้ว่าเป็นที่ประหารชีวิตอย่างแน่นอนนั่นอะไรครับท่านสมพานในวังถามที่ประหารชีวิตนักโทษแสดงว่าบริเวณ น, นี้เคยเป็นที่ประหารมาก่อนเอาละวันหลังจะขอแรงพระเนนมาถางให้กว้างออกไปอีกเพื่อจะพบหลักฐานอะไรเพิ่มขึ้นวันนี้คงเหนื่อยกันแล้วนะ ได้เวลาเพงพอดีกลับไปชั้นเพงกันเถอะท่านบอกสามเณรทั้งห้ารูปคืนนั้นหลังจากสวดมนต์แผ่เมตตาให้สัพสัตดังที่เคยปฏิบัติอยู่ประจำทุกคืนแล้วพระเจริญยังได้แผ่เมตตาไปดูต้นมะขามที่ท่านพบที่ประหารนักโทษ อยู่ใต้ต้นของมันแล้วภาพเหตุการณ์ครั้งอดีตก็ปรากฏในนิมิตเป็นภาพที่เพชฌฆาตกำลังประหารนักโทษก่อนประหารมีการบวงสรวงเทวดาเครื่องบวงสรวงมีหัวหมูบายสีมีเพชฌฆาตสามคนคนหน้าที่รำดาบไม่ใช่คนฟันคนหลังเป็นคนฟันฟันเสร็จก็ถีบลงบ่อไป ท่านประหารถูกวางไว้ใกล้บ่อซึ่งหากจากต้นมาขามออกไปทางซ้ายมือประมาณสิบวาในบ่อมีศพอยู่เต็มที่กระดูกผุกร่อนก็หลายศพก่อนจะประหารเพชฌฆาตจะทําพิธีขอขมาลาโทษผู้ตายเสียก่อนเพื่อจะได้ไม่จองเวรจองกรรมกันต่อไปในชาติหน้าเพราะถือว่าเป็นการทําตามหน้าที่ไม่ได้มีเรื่องโกรธเคืองกันเป็นส่วนตัว ได้เห็นภาพเหตุการณ์ในนิมิตแล้วจะอาวาตวัดป่ามะม่วงจึงได้รู้ว่าการที่ต้นมะขามปืนยิงไม่ออกนั้นเพราะมีเทพ ย, ายดาสิงสถิตจึงกลายเป็นต้นมะขามกายสิทธิ์ด้วยประการชนี้ท่านจะต้องสงเคราะห์ศพในบ่อ น, นั้นด้วยการขุดขึ้นมาชาปนากิจให้เป็นที่เรียบร้อยพวกเขาจะได้ไปผุดไปเกิดวันรุ่งขึ้น พระเจริญจึงขอแรงพระเนรในวัดไปช่วยกันถางป่ารอบๆต้นมะขามและได้พบบ่อศพห่างจากต้นมะขามไปทางซ้ายประมาณ1ิบวาตามที่เห็นในนิมิตท่านบอกลูกวัดว่าคืนนี้มาช่วยกันขุดศพขึ้นมาคงต้องใช้เวลาสักสองสามคืนกว่าจะเอาขึ้นมาหมดทำไมต้องขุดกลางคืนด้วยล่ะครับท่านสมพานพระรูปหนึ่งถาม เพราะท่านเป็นคนกลัวผีถ้าขุดกลางวันเรื่องมันก็จะเออกระเร่ชาวบ้านเขาก็จะรู้ฉันไม่ต้องการให้ชาวบ้านรู้ปเดี๋ยวจะได้แห่กันมาขุดหาของมีค่าและถ้าเจอเจ้าของเขาหวงก็จะมาจองเวรจองกรรมกันไม่ยอมไปผุดไปเกิดเพราะฉะนั้นงานนี้ต้องทํากลางคืนถ้าเช่นนั้นผมขอเฝ้าวัดได้ไหมครับคืนมากันหมด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 ส่วนหลวงตาเฟื่องนะ่ะเลิกพูดถึงกว่าจะกลับจากบ้านเมียก็สองสามทุ่มเมื่อเช้าก็เก็บในนาที่หลวงตาอ้อนปลูกไว้ไปเต็มยามแบบนี้บาปไหมครับพระนุ่มอยากรู้บาปสิเอาของสงไปโดยไม่ได้รับอนุญาตบาปมากผมหวั่นใจเหลือเกินว่าหลวงตาเฟื่องแกจะต้องไปเป็นเปรต เพราะจิตแกมีโลภะขโมยของสงไปให้ลูกหลานกินผมเตือนแกตั้งหลายครั้งหลายหนแกก็ไม่เชื่อจนผมครั้นที่จะเตือนสมภารพูดอย่างรู้สึกกระอาในความประพฤติของหลวงตาผู้เป็นพระลูกวัดแบบนี้ไม่บวชยังจะบาปน้อยกว่าฮ้คนเรานี่ก็แปลกนะครับท่านสมภารแทนที่จะสร้างกรรมดีแต่กลับมาก่อกรรมชั่ว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 ท่านสมพานเห็นด้วยไหมครับเอาละเอาละผมว่าเราช่วยกันถางป่าให้เสร็จเถอะคืนนี้จะได้เริ่มขุดศพสมพานพูดตัดบทผมขออนุญาตว่าวัดนะครับท่านสมพานยังไม่ได้ออกปากอนุญาตผมเลยพระหนมทวงเอาเถอะเอาเถอะคุณจะห่วงวัดหรือห่วงตัวเองก็ตามแต่เป็นอันว่าผมอนุญาตคุณจะไม่มาช่วยก็ได้ ผมห่วงวัดจริงๆครับทำไมผมจะต้องห่วงตัวเองพระหน่มแก้ตัวห่วงตัวเองสิก็คุณเป็นคนกลัวผีไม่ใช่หรือที่ไม่อยากมาขุดศพเพราะกลัวผีท่านพูดแทงใจดำพระลูกวัดจึงจำต้องนิ่ง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 พระเนนเห็นสมภารทำอย่างขมักขเม้นเช่นนั้นก็ต้องช่วยตั้งอกตั้งใจและแล้วการขุดศพก็ไปเสร็จเอาเมื่อเวลาสองยามจำนวนศพที่ขุดได้ประมาณ20สบิบศพซึ่งรวมอยู่ในบ่อเดียวกันทั้งหมดนอกจากศพแล้วก็ยังได้แหวนใส่นิ้วมือแหวนใส่แขนและตะกุดจำนวนมากซึ่งสิ่งของเหล่านี้พวกชาวบ้านอยากได้ไว้ในครอบครองของตน ต้องเอาใส่ลงไหมครับท่านสมพานเนตรรูปหนึ่งถามขึ้นคงไม่ไหวกระมังศพมากมายออกอยาก่างนี้จะเอาโงที่ไหนมาใส่หวาดไหวไม่เป็นไรไม้ไผ่เรามีแยะประเดิด๋ยวตัดไม้ไผ่มาทำเป็นแคร่หามปลายที่เมร์แล้วก็บอกชาวบ้านมาช่วยกันเผาจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกเขานิมนต์ทั้งพระทั้งเนนมาช่วยพวกเขามาติกาบังสกุลด้วย นิมนตุกรูปเลยท่านบอกพระเนนเวลาห้าโมงเย็นของวันรุ่งขึ้นพวกชาวบ้านก็มารวมกันทำชาปนกิจศพนักโทษที่จะอาวาสและพระเนนวัดป่ามะม่วงช่วยกันขุดศพขึ้นมาจากบ่อกใกล้ต้นมะขามหลังวัดครั้นเล่าลือกันว่าต้นมะขามหลังวัดป่ามะม่วงเป็นมะขามกยสิทธิ์คนก็พากันมาเก็บฝัก มันไปแกะเอาเม็ดมาทาเครื่องลางคลองคลังบางก็นำไปเลี่ยมทองแขวนคอแทนพระเครื่องบ้างก็นำไปทาตะ ก, กรุดบ้างก็นำไปวางไว้ที่หิ้งพระเพื่อกราบไหว้บูชาสองเดือนต่อมาหลวงบุเรนบำรุงการกับหลวงสมาวนวณกิจอดีตอธิบดีกรมป่าไม้ได้มาที่วัดพระเจริญเห็นเป็นโอกาสที่จะสอบถามเรื่อง เม็ดมะขามเป็นรูปส2องนักษัตว์จึงชวนบุคคลทั้งสองไปยังต้นมะขามหลังวัดหลวงสมานวนากจเห็นต้นมะขามใหญ่ขนาดห้าหกคนโอกก็คำนวณอายุตามหลักวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาอายุพันกว่าปีครับท่านคงไม่พลาดถ้าผิดพลาดก็คงไม่มากเขากราบเรียนพระเจริญและทำไมถึงมี12สองข้อทุกฝัก และเม็ดก็เป็นรูปส2องนักสัตว์เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงถามพลางก้มลงเก็บมาขามฝักหนึ่งส่งให้หลวงสมานวะนาคิกท่านช่วยพิจารณาหน่อยว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้คุณหลวงวัยใกล้เจรับมาขามฝักนั้นมาแกะเปลือกออกแล้วใช้มีดพกที่ติดมาแค่มเมล็ดออกดูทีละเม็ดครบสองเม็ดหากก็ไม่สามารถให้คาตอบได้ จึงถามเพื่อนที่มาด้วยหลวงบุเรศช่วยผมดูหน่อยทำไมมันถึงเป็นเช่นนี้คุณหลวงวัยเดียวกันก็ไม่อาจให้คำตอบได้จึงพูดขึ้นว่าผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละเรียนด้านป่าไม้เรียนต้นไม้มาทุกชนิดแต่ไม่เคยเห็นมะขามที่ไหนเป็นอย่างนี้เพิ่งจะมาเจอที่วัดป่ามะม่วงนี่หละครับนั่นสิผมก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน เพิ่งจะมาเจอที่วัดนี้นี่แหละสงสัยจะต้องนำไปเขียนเป็นตําราไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนไม่เคยปรากฏในตําราวณนา ศ, า ศ, าศาสตร์เล่มใดมาก่อนผมรับรองได้อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ว่าถ้าเช่นนั้นอัตมาก็ไม่สามารถหาหลักฐานได้นะสิว่าเหตุใดมันจึงมีเม็ดเป็นรูปสิบสองนักษัตร์สมภาวรวัยสสิเศษรู้สึกผิดหวัง ผมก็จนปัญญาครับไม่ทราบจะช่วยท่านได้อย่างไรเพราะไม่มีในตำราต้องขอประธานโทษด้วยเมื่อไม่สามารถหาเหตุผลได้ว่าเหตุใดมะขามต้นนั้นจึงมีเม็ดเป็นส2องนักสัตว์บุคคลทั้งสามมีสมณะหนึ่งกับคฤหัดสองจึงพากันเดินกลับมาที่กุฏิเมื่อเดินผ่านต้นสัตบันัตเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงถามขึ้นว่า ท่านช่วยคำนวณดูหน่อยเถอะว่าต้นสัตบันนี้อายุกี่ร้อยปีหลวงบุเรีกับหรวงสมานเงนมองขึ้นไปยังยอดต้นสัตบันซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณ8วาและตอบพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายว่าประมาณแ0 0ปีครับอุปนิสัยอย่างหนึ่งของพระเจริญคือเป็นผู้ที่ชอบศึกษาหาความรู้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 บ่ายวันพระหลังจากสอบอารมณ์ให้ญาติโยมที่มาปฏิบัติกรรมาฐานเสร็จแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็เดินกลับกุฏิเพื่อส่งน้ำเด็กชายสัมฤทธิ์กำลังเดินเข้ามาที่กุฏิเช่นกันไปไหนมาท่านถามลูกชายพระตูไปสำนักชีมาครับเด็กชายตอบไปเล่นกับแม่แดงเจ้าขาวมาละสีครับก็ผมเหงาคิดถึงหลวงพ่อจัง นานแล้วที่ท่านไม่ได้มาเยี่ยมพูดอย่างน้อยใจท่านคงงานมากเอาเธอวันหลังหลัวนาว่างจะพาไปเยี่ยมหลวงพ่อนะท่านปลอบใจเด็กชายผมไม่เคยเห็นลหลวงนาว่างสักวันเดียวสงสัยคงคอยเงยกเลยคอยจะเป็นหน่มเลยมั้งเอาเธอเอาเธอข้าคงมีวันว่างสักวันรหรอกนาครับ ผมก็หวังเช่นนั้นอ้อหลวงนะครับชาวบ้านเขาลือกันว่าเม็ดมะขามศักดิ์สิทธิ์นะครับคนเอาไปแขวนคอแทนพระเครื่องวันหนึ่งเขาตกตึกแต่ไม่ยักษ์ตา ย, ตายเพราะเม็ดมะขามช่วยไว้อย่างนั้นหรือข้าก็ได้ข่าวมาหลายกระแสบ้างก็ว่าเดี๋ยวมีเม็ดไม่เป็นรูปสิองนักสัตว์แล้วบางทีก็เป็นรูปหัวกะโหลกผี วันนี้ก็เอามาดูรายหนึ่งเป็นรูปอะไรเองลองถ่ายซิผมถ่ายไม่ถูกหรอกครับลงน่าเฉลยมาดีกว่าเป็นรูปข้านะสิใส่แว่นตาซะด้วยไม่น่าเป็นไปได้ข้าจะไปอยู่ในเม็ดมะขามได้อย่างไรจะว่าเขาแกล้งทำขึ้นมาก็เป็นไปไม่ได้นับวันก็ยิ่งมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นวันนี้ไม่รู้จะเป็นอะไรพูดคล้ายบน นั่นสิครับไม่รู้ว่าวัดอื่นเขาเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าโดยเฉพาะวัดกลางทุ่งที่หลวงพ่อผมเป็นเจ้าอาวาสข้าจะไปรู้รอทำไมเองไม่ไปถามหลวงพ่อเองละ่ะก็เมื่อไรหลวงนาจะพาผมไปล่ะครับอุวพูดไปพูดมาเขาเนื้อขาจนได้ไม่พูดกับเองละข้าจะไปส่งน้ําละ พูดจบก็เดินไปขึ้นยังชั้นบนของกุฏิเพื่อเตรียมส่งน้ำนับตั้งแต่ขุดศพขึ้นมาทำชาปนากิจและนำอังคารไปลอยอยังแม่น้ำเจ้าพระยาต้นมะขามกิทธิ์ก็เฉาลงเฉาลงอย่างเห็นได้ชัดพระเจริญอยากรู้ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น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 ทุกขตาความเป็นทุกข์และอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตนดังมาขามกยสิท ต, ต้นนี้ซึ่งแม้อายุจะตั้งพันกว่าปีก็ยังมีวันต้องสิ้นสุด